พระธรรมเตศนาจาดกเรื่องดางบากปินคำเรียบเรียงโดยอินสมชัยุมพูป ร, รียธรรมพพกประโยกนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงไฮ้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เตอโนกาเมนาวนาดิขันตาติสาทวดูราสปุริตสาตั้งไลตั้งนิ่จใจวนโมจุงทายูดาฟังนี่ยายยังไปแล้วพระตนแก้วจิงเตสนาวเตอโนกาเมนาวนา นิ่งคันตาดังนี้เป็นตนภิกขาเวดุราภิกุตั้งหลายอันองควายคำเจ้าเพื่อใครเขาเนระปาน <c oughs> ส่วนนอโูที่านตนองอาจกับนางนาจปิน่นคำจากดงดำป่าไม้บารอดไกเวียงใจยามตาวันใสคนเตียงจากใจเบียงลงแรง ส่องจอมแปลงเจียงเจ้าเตี้ยวไตเตามาไก่อิดเหลือใจตั้งโกูกอแวเข้าสู่อุญานแห่งพระผู้บาญป่อเต้านอกเขตดาวปุรี สองสีกินกู้เขาจอดอยู่เศาซ้าในศาลาใหญ่กว้างตีจิมข้างโบคารณีดอกไม่มีหลายแหล่พงกีแผ่บ้านเรื่องตั้งข้าวเหลืองแดงกรรมีพร้อมพำลายสีในโบคารณีนั้นเล่าบัวมาเต้า น, านำคือดอกบัวคำพงกีบัวต้องที่เจจน ดอกนี้โลบุไขการตั้งดอกป้านจังก่อนจุมผามอนมินเพิงจับไม่เนืองในดงบินมาลงสอสอดเอานำยอดไก่สอนได้แล้วจอนบินสู่นังตี่อยู่หังมันนกเดืองนั้นรำร้องเป็นดังห้องดงดานสายลมปานปัดดอกกันทะาออกหอมไก่ สองสายใจบ้องอยังอยู่ห้องศาลาเตียวต่างมาเมื่อลาก็หายกว่าบอบ้างเจ้าบุญขวางหนอน้ยก็เกาทอยไข่กรรมซึ่งนางปิ่นคำหนอเนาว่าจะรีดเก่าทามาดาสืบสายมาบอกขาดโอรสราดปุรีได้เทวีรวมห้องมาจากต้องแดนไก่ รอดเวียงใจไปนอกคือไปบอกทุนสายังสองขาพ่อแม่หือหู้แนอาการกันสองผู้บ้านจื่เน่ากอจักเป่าโยธานำกันยาไล่แย่ออกมาแห่เอานางเข้าเมืองวางแต่ต้องขึ้นสู่ห้องหอใจขอใส่ใจน้องพี่จุงอยู่นี่บัดเดียว ปีจะเกรียวไว้ว่องเข้าสู่ห้องปุรีไข่วาตีต้านก่าเฮสองเต้าหอคำเยี่ยตามทำแบบเบารอยรียดเก่าเดิมมากันบอกจาบอกก่อนป้านางอ่อนใส่ใจขึ้นห่อใจไปรอดสองเต้าหยอดคุณ น, นำตียงไข่ํำดาปี ว่าบ่อหูที่ปะเพนีขอเตวีน้องจันย่างแอวดันไปในจุงอดใจอยู่เฝ้าตะติเกาสาลายามนี้นาเตียงคอนแดดก้อนเดือใจบ่มีภัยสักผู้จักมาอยู่อุยยานบ่ปอนานแาต่ใสตาวันไกลลงแรง แดดบ่อแข่งเอาห้อนคนน้อยอ่อนตั้งหลายตั้งยิงใจมวลหมู่จากมาสู่วิญญาณจมดวงบานดอกไม้บ่อเวนไวววันได้กันปีไปรอดแล้วถึงหอแก้วพังกาไขขี้ยาบอกกาวเฮสองเต้าจอมวัน จักเรียวปันปิกปอกวายนาออกขึ้นมากันหน อ, อกปุ ธ, ธาก่าวแล้วก่อกาดแก่ อ, อกไปปันรีภายพันไว้ว่องเข้าสู่ห้องเวียงใจเปื่อจักไปน่อมใบยังป่อไทยผู้มีกับเทวีแม่เต้าหื้อหูข่าวตามมีแลนะ ที่นี่จากวันนาจะรอดถึงนางใบบอดมัดตะนี้อันได้หนีไปอยู่กับป้าปูสองขาดังเกาวมาหลวงแล้ ว, ลวคือเมื่อเจ้าหนอกแก้วยอดจอมควันใจบ่มันจืนเงาจักเป็นเต้าเสวยเมืองย้อนยังเครื่องใจรอดไข่เฮียนยอดจิ ป, ปะกุน เือม e ีนุนมากเต้าก้อยเป็นเจ้าปราชจริงไก่กาจาก้องแดนเขตต้องเบื้องตนเดินเที่ยวหนุนไปรอดเมืองแก้่ยอดตักกศิลาเฮียนสิปาวีเสตังบนเวทเจียงคานส่วนนางสามันหนุ่มเนางามบ่เศร้า牡นีอันเครื่องขี่ไม่เดือดบ่เหือดไม่หาย ย้อนตนใจน้อยนอบอตานต่อปิญญาพิจารณาคำเจ้าก่อเก่า อ, อุบายจิงพันภาล่าภาคีออกจากเคลื่อนตนเดินเว่วนไปอยู่กับป้ปูสองขาไก่ปาราเต่าไทยดังกะไว้ไปหลังนี้ยาหยังไปแจ้ง พระจริงแสงเทสนะนาวาสาจนาปตานากังปูนับปูนังกันปาดังนี้เป็นตน้นผีกาเวดุราพิกูตั้งหลายอันเป็นสายอริญญาจาเจ้อนักภาทรงยานส่วนนางสามันบาปเ้าพงหนุมเนามัตตนี แบ่งใจดีอยู่เฝ้าเลี้ยงยังเท่าสองขาทารงวัดนาเก่าเกือดังจะเชื่อคนผ่านก็ต้องการหน่อยใหญ่พร้อมเสียงไข่จูอันอันเจ <c oughs> ็ดแปดวันบารอดก็รีบสอดเดี่ยวไปเขาเวียงใจเตต้องแอวขึ้นลงตามกองแสงไข่ต้องของป่ายั่งจอดกว่าหลายวัน จิงจกผันปอกเต้าสู่เฮือนเท้าสองขามันไปมาจะใจเดือนดึงไข่หลหยหนจุมหมู่คนหนุ่มเท้าบ่หูก้าความใดบ่มีภัยจำใดย้อนเมืองใหญ่เลือลายคนยิงใจหลยแล่เต็มจูแงอาณานังปลาลาหน่อยนาดก่อฉลาดเหลือคน ป้อมตัวตนขึ้นลองบอคิงของไครได้ก็มีฮั่นแหละนะต่างตีว่าสั่งในวันนั้นใส่นางบบบใบปาลเาเตียวต่างมาหิวหอดไข่ยังยอดเย็นใจนางจังไรบาบเศร้าก่อแวะเข้าอุญญาณ จมดวงบานดอกไม้มีบ่อไรเลือลายกึดใจไมยจ้องจ้องว่าจะไปรอทองสาากันตาวันดาคำลาก็อะกว่าเตียวไปเขาเวียงใจเต่ต้องแอวขึ้นล่องพันพายนางผีพายกึดแล้วก็แอวจมดวงดอกปันปวงหลายสิ่งกันทันหญิงเอาใจ ยกตีนไปเตียวสอดพดไปรอดจาลาสองดวงตาและสาดก็หันนา่งนาดพินคำงามน่านำแต่เล่านั่งอยู่เฝา้าศาลาหันสังกาบ่โน้อยว่านั่งยอดซอยเรวรำลักคานงามบา่เศร้ามาอยู่เฝา้าศาลาไัยบ่มาเป็นกู่เต้านั่งอยู่เดียวดาย คืออยากพายพีเพถ็ถทาแหลงเป็ดเป็นม้าหรือเตวาดาฝากฝ้ากับเป็ดนาบันดมพ่อตัวตนผ่าเสืลักขณาเลิศดูงาม <c oughs> กวนกูถามฮือแน่ว่าแม่นแต่สันได้นางจังไรบาปเศร้าก็รีบเข้าไปหาแล้วใครจะเกาทอย ว่าดูระนางนาตน้อยโซฟาสันได้จามาอยู่บ่มีกูพอสองนางจักป่องเตียวต้องไปสู่ห้องแดนใดอยู่เวียงใจต่างเต้าหรืออยู่ดาวเมืองเราหรือมองเงาไม่มาตุกต้องปาดไปใไนขอจุงไข่บอกกาวหื้หูข่าตามี นางสายสีผ้าเสิดงามลำเลิดปิ่นคำก่อไข่ํำบอกเราตั้งแต่เก้าถึงปลายฮือนางผีพายบาปใบหูแจง้งไข่จุอันอันก็มีฮันเลยนะทัศสาวาจะนังสุดตัวส่วนนางมัตตานี้บาปเ้ากันนางดอเนาปิ่นคำไข่ยังํำบอกเราให้หูข่าวตามี <c oughs> มันยินดีบอน้อยว่ากำตำต้อยสามารอันหนอผู้บ้านยศใหญ่ใครก่าไว้ดูแควนว่าญิงคนแดนไตละใจอยาบจ้าปลาลากูนี่นาเอาไม่มาเมือ่อใดหลายปีความเครื่องขีบอกเหือดร้อนไม่เดือดดังอ้อนบอกหูถอนกาผากอกไปจากหัวใจ เธอหนิงได้ลายแลจักผาแปะคนใจกึศอุบายไว้แล้ว บ, บ่กาดแก้อหายซุนบัดนี่บุญมาไขเตี ย, ยงสมัฟกิตนานางปลาลใจถอยแสงเกาวถอยคำหวานว่าคาแดสดีนงคันยศใหญ่บุญหลังไหลตัวตันได้นั่งห่อจันแนบพงัง <c oughs> กับเจ้าจ้างหอใจนางมาไก่แต่ใสเหือไครในตามตัวกวรดำหัวอับน้ำคัดสีพัมกาญาา้าอาสาอยู่ไกลขามรับใจคัดสีกันอับดีเบียนแล้วก็อากาศแก่ออกขึ้นมาอยู่ศาลาตีเก่าทานยังเจ้าภูบาล เอาปริวานหลยแลมาแหวะแหเมื่อเมืองขอบุญเรื่องแม่เจ้าอย่าคิดเล่าสงสัยจุงมาไว้อย่าจ้าตามดังคาใข่าขาคำแดดเตอเมื่อนั่นนางปินคำยอดซอยได้ยินถอยกำจาแห่งนางปาลาบาปเ้าบอกคืดเล่าสงสัยก่อเร็วไว้บอกจ้า ละเขื่องงาอาลังการซอยสังวาลติเตศของวิเศษเตรียมขิงจอมนางหญิงบอจ่าลงสูต่ตาโบกกรณีส่วนนางกะนีใจบาปก็ลงอาบจอมกันลอยพัดพันเข้าไกลช่วยนางนาถัยสีไข้ไข่กำไ ย, ยอ่อนอ้อยมีบอ่อน้อยนานา สี่โซฟาข้าวใดจืดเย้าเจบ้านนางสามานใจหยาบบอกกลัวบาปต้วแต้นก่อจูงแขนดังแก้วลอยเล่นแหวววังไสดอกบัวไข่หอมจืนเด็ดย้อยยืนปันชมบาสรีอุดมเฮ้ยแม่เจ้าดอกนี้เล่าหอมดีพับโบกคารณีกว้างใหญ่ เก็บมาใส่หอมกันกันธามันหลายแหลยังบ่อแเตวีกันทศรีแม่เจ้าหอมรถเราเดือลายนางพี่พายใจถอยไข่เกาถอยลายพากการฮื้อนองคานหล่อเบาดำเกตเกาเกศาสรีโซผ า, ายศใหญ่ก่อเงี้อไข่ตามกำ นางทมบาใบาแสงเข้าไก่คัดสีเมียดผมดีไววมันมือหนึ่งกั้นหักคอเต็กซอบอหนอไทยจมอยู่ไตวังทาน <c oughs> นางลงคานน้อยนาดก่อก้อยกาดมาราณานางปาลาลบาปใบรีบสาใสเรียวปันแล้วภายพันไว้ว่องขึ้นจากต้องโบกรณี เอากวาดีเครื่องยองแห่งนางน้องปิ่นคำหากวางตั้มลาไววมาซุปใส่ตัวมันตาจุนจันหมุนแป้งตกแต่งแทงกาญาัวงามตาแต่ใสพ้อมซอยใสซุปแข็แล้วนั่งแตนที่เก่าแห่งนางดอเนาปิ่นคำก็มีฮันแลนา ที่นี่จากวันนานาจะรอถึงเจ้ายอดนอปโพธิญาณลสรีนองคานนัดน้องไว้ตีห้องศาลาและออกไปกา้าฝั่งเฝ้าเขาสู่ดาวเวียงใจเปื่อจากไปขับไวปอแม่ไทยสองขาป้าเสนาหลายแหออกมาแห่เอานาง เขเมืองพางแต่ต้องขึ้นสู่ห้องหอใจเป็นใสใจสาไปดังกะไว้ไปหลังต้งนอปุดตั้งไปรอถึงห้องยอดผังกาก่อทุนสาบอกเล่ายังป่อแม่เจ้าตามีเจ้าปุรีป่อเต้าก่อฟังเฝ้าเร็วปัน เออปักกันตกแต่งตามปิมแปงโบราณก็มีหันแลยนะตามัทถ์พักกาเซนโตศรัทธาศรัทธาสัพปัญญุย่าซอยหันบาทยบาลีบทหลังมีไปแจ้ง พระจิงแสงเตสานาวาสอกันตนานนิเวศดังปตัตตาดังนี้เป็นตนพิกาเวดูมราพิกโกสรงตนทารงสินใจวิเศษเมื่อเจ้าน้อยเนศสุริยาคุ ม, มานละสันลีน้องครน่ต้องไว้ตีห้องศาลา ในส่วนบุพพาดอกไม้ตีจิมไกเวียงใจแล้วเรียวไวฝั่งเฝ้าออเข้าสู่ดาวปาราขึ้นผางกาบอจ้าไวเจ้าฟ้าปิตาตั้งมันดาแม่เจ้าไข่บอกเล่าตามมีตั้งแต่นีจากห้องไปสู่ต้องตักกศิลา อ้อสิป่าเสียงไข่ลาเจ้าใหญ่อาจารย์เข้าดงด้านป่าเศร้าอยู่กับเจ้าระสีได้สองปีไข่รอดจบแจ้งจอดสิปกคุณเป็นแต่บุญจาดแล้วได้นางแก้วสาวศีลคานาดีผ้าเสิดสงามลำเลิศนำนาบัต้นาลูกเต่า ป้านางหนอเนามาเมืองหือนางบุญเรื่องนาต้องเฝ้าอยู่ห้องศาลาในสวนบุพพาดอกไม้ติดจิมไก่เวียงใจขอใส่ใจปอเต้าจุงบอกเป่าโยธาตั้งนางกันยาลายแหลออกไปแห่เอานางมาห่อฟางภาษาตามโบราณรัชเจ้าประเพณีแดดเตอร์ เมื่อ น, นั้นภาญาพรห ม, มตัดยอดใหญ่กับนางนาไทเตวีหันสายปุรีลูกเก้าปิ้งปองเกเต้าขึ้นมา <c oughs> สมณาจาชมชื่นปีติตืน่นเจอย่านไข่กําบานตันทอยด้วยกาอ่อนอ้อยวอนหูววาสายบุญจูลูกเต้ามีมาเกเต้านำนา ไก่กาจากห้องไปสู่ต้องแดนไก่ตกหในใดบอกพ่อแม่อยู่ไปหลังกึดใจวังคำเจ้าขอเอลูกเตาสดสดีความเครื่องขี่ไม่มาดบอกหูขาดขึ้นวันลูกจอมขันละภาคออกไปจากปุรีเมืนหลายปีแต่ใส บัดนี้ได้ึ้นมามีกาญยาผ่าเสิร์ตลังคันเลิศน่นนำดาจักจำบ่ได้เจ้าหนอไทยขิงผายมีบุญไหลบ่โน้อยจิงสมไฟหอยผาธนาจบสิบป่าแจ้งจอดได้ยังยอดนาฤีผู้งามดีบ่โน้อยติดจองหอยตวยมา ความเครื่องกาพ่อแม่อันมีแต่เดิมอ้อนดังตื้นทอนเก้าหากออกจากหอระไทเจ้าหอใจพรหมตระตาตันถอยวาดไขจ้ า, จากับบุตตาโลกแกวบตันแล้วบรมวนกาละกวรมารอเต้าก่อตอตกปันือเรียวปันแต่งหางยังหมู่จ้างปังไป เสนาหลายน้อยใหญ่พร้อมภัยไต้พระจ้านางกัญญาอบาตแล้วฮอุปราดแกเมืองคือจันทเรืองหนุ่มนาวน้องแห่งเจ้าบุญนำเป็นนายนำหัวหมูออกไปสู่อุยญานแฮ่สรีนงคานกินกูเข้ามาสู่ปารากันวอดาแต่งแล้ว เจ้านาแก้วบุญผายก็ขี่จ้างไปตัวกาออกก่อนน้านำตังหนาหอควงังน้อยนาดคืออุประราชจันทรตะกุ ม, มานก็ขี่จ้างสารพาเสดทือบังเกิดมงคล น, นำรีปนมวนมาอกอกไปจากเวียงใจยาตาวันใสคำลา ดาลป่าดงรีจ้างตัวดีอาจกาไปก่อนนาเร็วปัน้นไผยบ่อตันสักผูไผ่น้อยอยู่ปลายหลังดอกพุทธังไปรอดในสวนยอดวิญญาณลงจ้างสารไว้ว่องไปสู่ห้องสารลาหันหนังบาปนากำรกี้นั่งแตนตีปินคำนอคุณทมและพอบ่อแมน่นอใส่ใจ พ่อหัวใบแผ่นผ้าตั้งเคื่องงาอลังการแม่นของนงคานหล่อเบาพ่อลืมเล่าหลายตีสั้นที่ดีเสียงไขว่ตัวบอใจปินคำานอกคุณทำหันหลากบ่อจ้างปากกำได้บ่อาจากใครทำข่าวรีกจากดาวสาลาใจเววาวาบุรีไปสู่โบกกรณี โยสายสรีหนัดน้องเล่นอยู่ห้องวังใส่เจ้าเหลียบไปจูกรรมลวัดมืดคำจวนตาร้องเรียกหาเจ้าแจ้วหวานอางน้องแก้วปินคำปอกดงดำป่าไหล้ลาปีไว้มองเงาหรือตัวกิ้งเล่าลี่ซ่อนอยู่ตีบนลแดนใดเสียงคันไข่ตอบทองบ่มีกองมีมา นอพุถายศใหญ่ตกปั่นไมเรร้นกว่างมองวนปั่นกว้างดังบ่ย่างบนดินใจมองวิ้นสอสอกตามเก้าดอกบุกผาปื้นรุกคาขุมไม่บ่จบใดแดนใดจุ่มจ่างใจร่องแซนสารแผ่นดินด้านนอโปที่ยานเอาไหม่บ่หอนใดยินเสียง ตั้งสำเนียงโหร้องสนั่นกองนำนาแห่งโยธามากเต้าบ่อสอดเข้าถึงหูกรรมมาจูติไก้หื้อกังไก้หมอวนจากไปขึ้นห่นมาสู่ยังตีอยู่สาลาลวดเววาดันสอดพดไฟรอดแดนไก่ก็มีหันเลยนะ สเปเตปนามหาเจนาส่วนพระเจ้าอามาดอุปราชแก่เมืองเสนาเรืองหนุ่มเทาอันไตเตา ต, ตัวมาถึงศาลายามคำจูผู้พำยินดีหันานางกาลีบาป้าวนั่งอยู่เฝ้าศาลาจุมเสนาโหรอง สนานกองแดนไก่ต่างใส่ใจแน่มันว่าเป็นนางหนอจันปินคำยกมือตั้มใส่เก่าราธนานางแบบเศร้าสามาน <c oughs> ขึ้นจ้างสารตัวกาบอได้จ่าเรียวพันเพื่อยพายพันปอกเต้าอายนาเขาเวียงใจไผยเป็นไผ่โบ๋เสียงสะสู่เนื่องนั้น เฮตาวันตกต่ำบดมืดค่ำจนตาอุปาราชานุ่มเดาคือว่าเจ้าจันตะกุมานบ่หันนอโปธิญาปีไทยอยู่ตีไกล้กองตาจิงไขว่าจะทำข่าวเขาก็ก้าวไขปันว่านอหอจันเจ้าฟ้า ไปก่อนนาะเราราอุ ป, ปาราจาน้อยนาดบา่คืดขวาทสงสัยก่อเร็วไว้ร่องเปล่าไปไข่าดาวโยธา <c oughs> รีบไก่ก้าปอกเตาแหนั่งเขา้าเวียงใจก่อมีฮันแลลนาะ เจนาการังปัตปานากันว่าไปรอดแล้วที่ควงแก้วลันดลวงคนปันปวงน้อยใหญ่มีพ่อมไขยหลวงลายลางพ่องภายเขาตอกพ่องยื่นดอกหลวงบ้านตั้งพระมาจารย์อาม า, เาดเสนาอัตเศรีกะหะบอดีหนุ่มเทาบ่หูเก้าขีญา ป้ากันมาไว้ขาบซึ่งดังบาปมัตตาีปันปนดีบ่หน่อยแล้วนำนางถอยปลาลาขึ้นผางกาภาสัดตี <c oughs> ด่ห้องราดตรงกันกันภายพันไปรอดในห้องยอดหอในนางจังไรบาบปใบก็ขับไว้วันตา ยังผาญาพรหมาตราทและนางนาเตวีตามพระเพนีแต่เก้าบ่อแพกกบาสันได้บอมีไผยจำได้ว่าเป็นนางบบใบมัตตนีเหตุมันนี้จากห้องไปอยู่ต้องแดนไก่จำเรินไว้ขึ้นใหญ่พิษแพไคว้เลือตามีลักคานาผ่าเสืดงามลำเลิดเหลือลาย สังคนหมายกุดสอดว่าเป็นยอดเตวีอันราศีเลี้ยงไว้กลางป่าไม้หิมมาปานพระผู้บ้านพรหมตัดราชเจ้าภาษาดปราศีและราชเจเตวียอดใหญ่หันสะไปยิงรำลักขนานงามบ่อนอยใจจืนจ้อยยินดีไขาวาตีทำที นงก่อจี้ตามคำเจ้าหอ่อคำพรหมมตระแตดเล็งและสวาดไปฟ้าบา่หันบุตรตาลูกเก้ามาอยู่เฝ้าห่อในสังกาใจลายลากจริงออกปากจะทมว่าตนใจร่ำลูกข้าไปลีนาเสียในถามคนในจูผู้ก็บ่หูสักคน ทมรีปนุ่มเท่าก็บอูเก้าขีญยาพ่องก็ว่ามาก่อนดามาอยู่ท่าหอคำต่างไขกคำเกาแก่บอหูแน่สัจจังว่านอพปุทธังยดเย่าอยู่ตีดาวแดนใดส่วนนางจังไรใจบาปก็แสงขาบทุนสาร ว่านอผู้บ้านเจียงเจ้าเอขคาเฝ้าศาล า, าวาจักเตียวมาสู่ห้องคงเขต้องเวียงใจฮือเสนาไในลายแหล่ออกไปแห่เอามาตนบุญนาปีขาจักอยู่่าหอใจเป็นสันได้ดังอีมาลีกลีนี่หาย นางผีพายบาับใบแสงสกไมขี่มองน้ำตาน้องหลังย้อยรีรำถอยไาลผากาดส่วนเต้าผู้บ้านพลมมาตราตรรนไม่มาดเลือใจอคนไปซอไซพอเสียงไข่รงกันไผบ่หันสักผู้ ไพ่บ่หัวสักคนโกละหนกันใหญ่เกิดขึ้นไข ว, วียงใจก็มีฮันและนาะเนธตังขีญาสังวันนานาวิเศษจาห้องเหตุมากปินคำผูกทวนหกตามจาดกแต่ไทยสืบกันไวน้นามา นอปุธธาหยอดซอยได้กาดก้อยเสียนางเจ้าหอกวางพลุ่มมตัตตราตั้งนางนาเตวีเป็นตุกขีกังแกนทมทงังแน่นเลือลาย <c oughs> นางทีพายใจเศร้าได้อยู่เฝ้าหอใจเป็นสันได้ปายนาอดใจท่าดาฟังก่อบังกุมสมริจเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแล